นิรัตอันยมณีแห่งภัยสนประวัติและธรรมะหลวงปู่ครูบาอาจารย์เท่าทองรัตกันตาซิโลบุรพาจารย์พระกรรมฐานฝ่ายมหานิกายสายหลวงปู่เสาหลวงปู่มันเชกมณีลัทพิสุดวิมุิเลิศเถือกเมศนักปู่ผาวนาสัน พระผู้ทรงทมพิสุทธิ์เอกอนันต์มณีรัตน์นามวัคันตาสิโลปฏิปทาทั้งเมตตาและอาถารคอยเจือจานด้วยน้ำจิตอันอักโขหนุนพระสาบแผ่กิ่งก้านดังต้นโพให้เติบโตแผ่ร่มเงาไปยาวนานเพชรน้ำเอกอันหลีกเร้นในไพรสน แม้น้อยคนรู้จักนามตามขนานสานุสิิป ร, รึกคุณตราบชั่วการหลวงปู่ท่านทองรัตน์กันตัดสีโลหนึ่งชาติกำเนิดครูบาจารย์เท่าทองรัตน์ชื่อนี้เป็นที่คุ้นเคยและรู้จักกันดีในแวดวงพระกรรมฐา น, นเมื่อคราว การเผยแพร่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิยุค ข, ของบุรพาจารย์พระกรรมฐานสายพระครูวิเวกพุทธกิจหลวงปู่เสากันตาสีโลหลวงปู่มั่นปุริทัตโตเป็นยุคที่อาณาจักรลงกะมิ่งเริ่มเฟื่องฟูและแข็งแกร่งแผ่มาตรับเท่าทุกวันนี้ครูบาอาจารย์เท่าทองรัฐกันตาสีโลได้รับการยกย่อง ให้เป็นแม่ทัพในกองใหญ่เผยแผ่พระพุทธศาสนาล่ายมหานิกายตามแนวการปฏิบัติวิปัสนาธุระสายลุงกูเสาลุงปู่มั่นในช่วงระหว่างปีพุทธศัการาช2431ถึง2499ครูบาอาจารย์เท่าทองรัตถือกำเนิดในครอบครัวใหญ่ แห่งลูกแม่ น, น้ำสงครามเมื่อปีพุทธศักราช2431ที่บ้านสามผงอําเภอส ร, รีสงครามจังหวัดนครพนมต่อมามีดาได้พาครอบครัวย้ายมาตั้งหมู่บ้านใหม่ที่ดงพนาวร้อมพ่อเท่าสามารถพ่อเท่าหนูปานและชาวบ้านจำนวนหนึ่งตัืจอบ้านว่าสีเวินชัยซึ่งอยู่ห่างจากบ้านเดิม ประมาณสมกิโลเมตรดงพะเนาแต่ก่อนป่าแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ปกคลุมไปด้วยป่าไม้หนาทึบเหนือแั้นด้วยสัตว์ป่า น, านานาชนิดเป็นที่หลีกเร้นภาวนาของครูบาอาจารย์พระกรรมฐานเป็นจำนวนมากเชื่อกันว่าบริเวณป่าดังกล่าวเคยเป็นเมืองและวัดเก่ามาก่อน จากการพบทราบสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในโบสถ์และพระพุทธรู ป, ปาต่างๆสมัยเก่าจำนวนมากโยวมวิดาคือหลวงกำจัดเป็นข้าหลวงใหญ่ปกครองท้องถิ่นในเกตนี้ภรรยาชื่อแก้วบุผาแต่ก่อนการใช้นามสกุลยังไม่แพร่หลายและยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่เด่งชัดเท่าที่ควรและแต่ความเหมาะสม ของแต่ละบุคคลจะเลือกใช้จึงได้เลือกชื่อสกุลว่านักขจัดนะคะมาจากนครพนมจัดมาจากชื่อผู้เป็นบิดาคือหลวงกำจัดหลวงกำจัดมีบุตรทดา9ก้าคนคือ 1. หมื่นชนชนะชัยหรือนายทะนักขจัดได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านศีเวินชัยเป็นคนแรก 2. นายสีทัดนักขจัด 3. นายเพนนักขจัด 4. ครูบาอาจารย์เท่าของรัฐ ก, กันตาซิโล 5. นางอู๋แก้วนักขจัด 6. นางหนูเทียนนักขจัด 7. นางเขียนนักจัด 8. นางเม่งนักขจัด 9. นางวะนักขจัด แม่ ใ, ใหญ่จันทิมาบุตรีคนสุดพ้องของหมื่นชนชนะชัยญาติใกล้ิดของครูบาจานเท่าเล่า ว, ว่าหลังจากที่หลวงกำจัดได้นําหนุนทองรัตไปบวชเคยได้เห็นท่านครั้งเดียวเมื่อคราวแม่ใหญ่อายุ27ปีต่อจากนั้นไม่เกิดเห็นท่านอีกเลยได้ทราบข่าวหลังสุดว่าท่านได้มรณภาพที่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อปีพุทธศักราช 2,499 สมัยท่านเป็ น, นหนุ่มหนุ่มทองรัฐเป็นคนร่างใหญ่กำยำห้าวหาญดุดันเด็ดขาดน่าเกรงขามากชอบเล่นตลกเฮฮาเป็นคนทำหน้าที่เก็บสวยให้หลวงกำจัดและเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวบ่อยครั้งที่คนรอบข้างต้องตะลึงเมื่อเห็นพฤติกรรม หหนุ่มทองรัตได้แสดงออกด้วยความห่าหานเช่นมิอยู่บ่อยครั้งสุนัขชอบขโมยกินข้าวแช่ที่จะเตรียมนำไปนึ่งในตอนเช้าก่อนบรรดาหรือน้องสาวจะนึ่งข้าวพอไปดูก็เห็นแต่แัลชนักป่าวก็เอะอะโวยวายว่าหมาลักกินข้าวอีกแล้วหนุ่มทองรัตดิ้นเสียงบนหลายวันเข้าเลือกความที่มีนิสัยเด็ดขาดเป็นทุนเดิม จึงได้จับสุนัขนั้นมาตัดปากพร้อมพูดว่านี่มันถึงไม่ได้กินหลายครั้งและอีกคราวหนึ่งเมื่อถึงฤ ด, ดูลงนาควายแม่นาได้ตกลูกได้สองถึงสเดือนอยังไม่หย่านมลูกควายจึงได้ตามติดแม่แจเพื่อจะกินนมหนุ่มทองรัดได้ปล่อยให้กินเป็นเวลานา น, านจนตะวันสายกว่าปกติลูกควายนั้นก็ไปอิ่มสักที หนุ่มทองรัตคิดว่าคงจะสมควรแล้วจึงแนะนำแม่ควายเข้าคันไถเพื่อไถนาแต่ลูกควายนั้นก็ยังตามที่จะกินนมไม่เลิกไล่กิ่คังก็ไปได้หน่อยเดี๋ยวก็กลับมาไถนาก็ไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันสักทีด้วยความห้าวหาญและเด็ดขาดของหนุ่มทองรัตจึงได้ปลดคันไถออกจากคอควายแม่นานั้น พร้อมกับฟาดลงที่หัวลูกควายนั้นเต็มแรงยังไม่ทันที่ทุกคนที่อยู่ใกล้ๆจะร้องห้ามลูกป่ายนั้นได้ลมทั้งยืนไปตามแรงขันไถจนแน่นิ่งและนายทะผู้ติเป็นพี่ชายได้ร้องถามไปว่าตีมันทำไมหนุ่งทองรัตได้ตอบด้วยหน้าตาเฉยว่ามันจึงจะไม่ได้กินหลายครั้งรูบาดจาย์เท่า เคยเล่าให้ลูกสิธิ์คนชนิเพ่อใหญ่จานกีจันศีเมืองบ้านหนองฮีอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมเมื่อคราวออกบวชติดตามเพื่อศึกษาข้อวัดปฏิบัติปรับครูบาอาจารย์เท่าว่าสมัยเป็นหนุ่มท่านความสามารถหลายด้านเช่นฝึกบวชเทียมเพียนไม่ได้บอกยากเมื่อเห็นท่านจะออกเดินทางบวนั้น จะเดินมาเทียมเกวียนเองโดยไม่ต้องให้ไล่ให้ตีให้ยากเมื่อจะผ่านห้วยผ่านหนองบอกให้กระโดดก็จะกระโดดตามที่ต่างที่บ้านที่ ว, วัวควายกว่าสามร้อตัวต้องปล่อยไว้ตามทุ่งสามผงดงผนเอานานนานทีถึงจะต้อนเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อนำไปขายจะต้อนเข้าไปในหมู่บ้านแต่ละครั้งต้องบอกชาวบ้านให้ปิดข้าวของปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดเพราะ ฝุ่นจะตรงมาก 2. ชีวิตหนุ่มลูกทุ่งบ่อยครั้งที่งานบุญไม่ว่าในหมู่บ้านหรือหมู่บ้านใกล้เคียงหนุ่มทองรัฐพร้อมบางทีไม่ไผ่บรรจุเล่าสาโตรยาวเป็นเมตรต้องได้สะพายไปร่วม ง, งานเพื่อเลี้ยงฉลองกันทุกทีตามแบบฉบับของหนุ่มชนบทถึงแม้ว่าหนุ่มทองรัฐ จะมีใส่ชอบกินชอบดื่มแต่ไม่เคยมีประวัติชกต่อยกันแต่อย่างไรเป็นเหตุให้ไปที่ไหนต้องเป็นเป้าสายตาของสาวๆที่พบเห็นประเพณีอย่างหนึ่งที่ชายหนุ่มนิยมกันคือการจักลายลหนุ่มทองรัฐก็เป็นหนึ่งที่จักลายเหมือนกันเพราะนิยมกันว่าเมื่อชายใดที่จักขาลายแล้วจะเป็นที่หมายปองของสาวๆทั่วไป 3. ศักดิ์รีลูกผู้ชายมีครั้งหนึ่งครูบาจารย์เท่าเล้าห้หลวงพ่อพรสจาวโรสิทธิพุทใกล้ิตรูปหนึ่งอยู่บ้านแก่งยางตำบนคอแลนอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชชานีว่าครั้งแรกบวชเป็นสา ม, มนเณรแต่อยู่ได้ไม่นานต้องศึกออกมาช่วยครอบครัวทำงานสาเหตุที่ออกบวชครั้งที่สอง คือท่านได้ไปจีบสาวต่างบ้านสาวนั้นได้เกิดความชอบพอใจขึ้นมาและหลายครั้งได้ขยันขยอให้ท่านนำญาติผู้ใหญ่ไปสู่ขอตามประเพณีถ้าไม่ไปสู่ขอสาวเจ้าได้ยิ่งคำขาดว่าจะขอหนีตามหนุ่มทองรัฐได้คิดอยู่หลายวันถ้าจะปล่อยให้สาวหนีตามก็ไม่อยู่ ในวิสัยของลูกผู้ชายอย่างเุ่มทองรัชธรรมถ้าจะบอกปฏิเสธก็กลัวว่าสาวเจ้าจะเสียใจและได้ตัดสินใจว่าจะยังไม่ขอแต่งงานถ้าขืน อ, อยู่ต่อไปก็คงจะไม่พ้นอยู่ดีจึงบอกกับพ่อว่าให้พาไปฝากกับพระอุปัชฌาย์เพื่อบวชพ่อก็ไม่อยากให้บวชเพราะท่านเป็นกำลังสำคัญในบ้านจึงอยากให้มีครอบครัวมากกว่า การออกบวชแต่ก็ต้องยอมตามคําอ้อนวอนและเหตุผลที่ได้อ้างกต่อพ่อว่ายังไม่อยากมีเมียจึงได้พาไปฝากอุปัชาโดยไม่บอกให้ใครรู้แม้แต่คนในบ้านก็ไม่มีใครรู้ว่าพ่อพาท่านไปบวชที่ไหนจนท่านบวชได้หลายปรรษาแล้วท่านได้หวนกลับบ้านโยมพ่อโยมแม่และญาติพี่น้องบางคน ได้ล้มหายตายจากไปก่อนแล้วชาวบ้านได้รู้ว่าท่านไปบวชกับพระอุปชาคานคันธิโยที่วัดโพชัยอําเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมมีพระอาจารย์เก่งอธิตมุตโมวัดโพชัยอําเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมเป็นพระกรรมวาราจาร์เมื่อสมัยที่พี่ชายท่านคือบื่นชนชนะชัยบว โยมพ่อท่านก็ได้นำไปฝากกับพระอุปชารูปนี้เพราะแต่ก่อนอุปชามีไม่มากพระอุปชาคารคันทีโยท่านปกครองในเขตสามอำเภอคืออําเภอศรีสงครามอําเภอบ้านแพงอําเภอท่าอุเทนของจังหวัดนครพนมท่านบวชเมื่อปีพุทธศักราช2459ในขณะที่อายุ 26ปีหลังจากบวชแล้วไม่เคยส่งข่าวกลับบ้านเลยและไม่ได้กลับบ้านด้วยเมื่อบวชแล้วท่านก็ได้ศึกษาค้นคว้าตำราต่างๆเช่นนวโกวา่าตลอดจนท่องปฏิโมกได้และอยู่กับพระอุปชาได้ 2, สองพรรษาก็คิดอยากจะลาศิกขาจะอยู่ในอิริยาบถไหนก็คิดแต่จะลาศิกขา อิจวัติต่างๆที่พระใหม่ควรจะทำก็ทาโดยไม่บกพร่องแต่ความอยากลาสิขาไม่หายไปซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมดาของนักบวชแต่ที่ไม่ธรรมดาคือจะทำอย่างไรเมื่อมันมีอารมณ์อยากลาสิขาแล้วทาไม่ให้มันลาสิขาเมื่อคิดได้อย่างนั้นจึงกราบลาพระอุปชาเปลี่ยนสถานที่วิเวกอยู่บ้าง ยอมตายเพราะอยากลาสิกขาครูบาอาจารย์เท่าเคยเล่าให้หลวงพ่อเดชกิติปาโลวัดโพดชัยบ้านสามผงอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพ น, พนมฟังว่าเมื่อกราวท่านอยากลาสิกขาในขณะนั้นบวดได้สองปัญหาที่ได้ลาพระอุปชาหาสถานที่วิเวเพื่อหาอุบายที่จะได้ไม่ลาสิกขา แต่ว่าพระอุปัชฌาย์ไปตามป่าตามเขายิ่งเดินก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งเหนื่อยก็ยิ่งอยากลาศิกขาเดินไปจนถึงภูพานจึงได้หาสถานที่ปักหลอดเดินจงกรมนั่งสมาธิทําความเพียรการที่เคยได้ศึกษาตำรามาและเคยทําเองบ้างแต่ไม่เข้าใจเท่าที่ควรทําความเพียรอยู่ช่วงสองวันแรก ตื่นเช้ามาก็ออกบินทบาทกับชาวบ้านที่อยู่ตามกระท่อมตีนเขาพอได้ฉันยิ่งทำก็ยิ่งทุกข์เพราะอยากลาสิกขามากจึงได้ตั้งัจจักับตัวเองว่ามึงอยากเึ็หลายให้มึงตายอยู่นี่ทำความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่หถึงวันไม่ไปบินทบาทอาการอยากลาสิกขา จึงค่อยทุเลาลงแต่ยังไม่หายไม่ลงไปบินถบายหลายวันโยมคิดว่าตายแล้วจึงขึ้นมาดูเห็นท่านเดินจงกรมอยู่จึงกลับลงไปเอาน้ําเอาข้าวไปถวายท่านท่านก็ไม่ฉันญาติโยมได้อ้อนวอรให้ท่านฉันจึงได้สนองศรัทธาและโยมได้พูดถึงหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นว่าท่านทั้งสองนี้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติเอาจริงเอาจังมากใคร ก็ให้ความเคารพท่านมากแต่ก่อนท่านเคยเดินธุ ด, ดงผ่านมาทางนี้ด้วยและถามโยมในความว่าท่านทั้งสองปกติก็พำนักอยู่ที่แถบจังหวัดสกลนครนครพนมจึงได้ตั้งใจพุ่งตรงไปยังครูบาอาจารย์ทั้งสองเพื่อกราบขออุบายและได้ลงจากภูผานส่องแสวงหาองค์ท่านทั้งสอง 5. ผู้ชิ้ทานสว่างครูบาอาจารย์เท่า ได้ติดตามสืบหาจนได้พบท่านหลวงปู่มัน่นขนาดนานองค์ท่านพำนักอยู่ที่วัดป่าสุทาวาสจังหวัดสกลนครซึ่งแต่ก่อนเป็นป่าที่เหมาะในการภาวนามากที่ได้ไปกราบท่านพักอยู่กับท่านได้สามถึงสี่วันและขอรับฟังโอวาทจากท่านหลวงปู่มัน่นหลวงปู่มั่นไดเมตตาให้อุบายในการปฏิบัติและไล่ให้ไปปฏิบัติเอง ผูบาดเจียนเท่าของรัฐได้กราบลาหลวงปู่มั่นออกปฏิบัติตามคำแนะนําตามลําพังยิ่งปฏิบัติไปในความรู้สึกที่แต่ความหนักไปหมดนั่งก็หนักยืนก็หนักนอนก็หนักแก้ไม่ตกจึงคิดถึงหลวงปู่มั่นขึ้นมาและกราบไปกราบเรียนท่านอีกครั้งหนึ่งเมื่อไปกราบหลวงปู่มั่นท่านก็ถามว่าเป็นยังไงการปฏิบัติ คุบาจันเท่าบอกว่าไม่รู้จะเอาอะไรมาบอกกับหลวงปู่มั่นเพราะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นนิทานหนักอย่างเดียวเดินก็หนักนอนก็หนักนั่งก็หนักหลวงปู่มั่นพูดเป็นเชิงหรือว่าการปฏิบัติอยากแต่ให้มันสงบเอาแต่ปัญหาเข้าไปทํามันจะเห็นอะไรและหลวงปู่มั่นท่านได้ไล่ให้ปฏิบัติอีกด้วนิสัยที่ดุดันเอาจริง เอาจังเป็นทุนอยู่แล้วเมื่อท่านได้ยินหลวงปู่ ม, มั่นท่านดุเหมือนกับว่าท่านให้กำลังใจจึงได้สะายบาทแบบกกรดมุ่งหน้าสูปา่ป่าดงหนาทึบคราวนี้เอาจริงยิ่งกว่าเดิมทั้งเดินจงกรมนั่งสมาธิทั้งคืนทั้งวันให้เวลาในการพักผ่อนน้อยฉันก็ลดน้อยลงจนมีอยู่วันหนึ่งขณะเดินจงกรมอยู่อาการที่ว่าหนักไรู้หายไปไหนหมด กลับมีแต่ความเบากายเบาใจเดินไปทางไหนเหมือนกลับจะปลิวไปไม่สามารถจะเล่าให้ใครฟังถูกปฏิบัติติดต่ออยู่นานอาการเบานั้นก็ยังเหมือนเดิมจึงคิดว่านี่หรือที่ครูบาอาจารย์มั่นบอกว่าอาการของสงบแต่ได้หวนกลับไปหาหลวงปู่มั่นอีกเมื่อกลับไปกราบเรียนหลวงปู่มั่นคราวนี้ท่านไม่ดุเหมือนเมื่อก่อน และกล่าบเรลี่ยนท่านว่าข้าน้อยเห็นแล้วจิตสงบมันเป็นฉังใดจิตสงบหลวงปู่มั่นถามจิตสงบนั้นมันเบากายเบาใจในอิริยาบถใดมันก็เบาพูดบัรถุกครูบาอาจารย์เท่าทองรัตเล่าให้หลวงปู่มั่นฟังถึงอาการต่างๆที่ได้ประสบจากการทำความเพียรจนหมดสิน้นคราวนี้หลวงปู่มั่น ถ้าได้แนะนำแนวทางปฏิบัติต่อโดยท่านให้พิจารณาขันห้าให้เห็นเป็นใตรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาให้เห็นแล้วให้ยอเข้ามาคือกายกับใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นของไม่มีตัวตนแยกมันให้ออกหลังจากได้อุบายจากหลงปู่ ม, มั่นแล้วก็กราบลาท่านอีกได้ออกปฏิบัติเอง แล้วก็ได้นาอุบายที่ลูกปู่มั่นให้มาพิจารณากลับไปกลับมาอยู่เป็นเวลานานหลายเดือนจนก่อนเข้าพรรษาที่สามก็ปรากฏสภาวะทุกอย่างลงตัวเกิดปิติขึ้นในจิตใจสว่างโลกทั้งกลางวันกลางคืนเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่แตกต่างกันอย่างไรโลกทั้งโลกไม่สงสัยอะไรคิดอยู่ในใจว่าถ้าจะมีปัญหาร้อยแปันปัญหา ก็ไม่สงสัยอาการของจิตใจในขนาด น, นั้นนิ่งมากไม่มีอะไรทำให้หวันไหวได้อีกต่อไปยิ่งมีอาการดังกล่าวยากที่จะบรรยายถ่ายทอดให้คนรู้ได้นอกจากตัวเองที่เรียกว่าปจัจจตังพันใดทุดลงไปรูปเดียวไปตามป่าบ้างภูเขาบ้างไปถ้ำใดเข้าได้หมด ด้วยความอดหานไม่คิดกลัวสัต ร, ร้ายหรือสิ่งต่างๆจะมาทางไหนก็ไม่กลัวจะบอกว่าทั้งความกลัวและความสงสัยต่างๆถ้าเป็นเรื่องหนักใจอีกต่อไปก็ไม่ผิดลูกจิตรูปหนึ่งเคยได้ินครูบาอาจารย์เท่าพูดอยู่เรื่อยว่าคําสอนถึงจะมีมากมายสักเพียงไรก็ไม่เท่ากับการปฏิบัติให้เห็นเองจึงได้ถามครูบาอาจารย์เท่าไปว่า ที่ว่าคำสอนอท่อการปฏิบัติมันเป็นอย่างไรครับครูบาอาจารย์เท่ากับว่าการที่ฟังจากคนอื่นพูดเป็นได้แค่หนาทางเท่านั้นผู้อื่นไม่สามารถบอกผลการปฏิบัติเป็นคำพูดได้สิ่งที่เกิดนั้นมันจะเกิดขึ้นเองหากมีการปฏิบัติด้วยธรรมกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ศีลสมาธิปัญญาจึงจะเกิดเอง เรื่องอารมณ์เล็กๆน้อยๆอย่าข้ามถ้าศีลบริสุทธิ์สมาธิบริสุทธิ์นั่งสมาธิบางทีก็มีคำถามและคำตอบขึ้นมาพร้อมถ้าจิตใจไม่ครบศีลเข้าป่าเป็นพระกรรมฐานไม่ได้ผีหักคอบ้างเสือกินบ้างพระไม่มีศีลบริสุทธิ์เสือกัดตายตามถ้ำตามเขาหิงกระดูกกองถมไป6 ประลองกำลังลูกศิษย์ลุงพ่อ ก, กิธรรมุตโมวัดป่าสนามชัยอําเภอพิบู์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีศิษย์ผู้ใกล้ชิดรูปหนึ่งเล่า ว, ว่าในช่วงที่ครูบาอาจารย์เท่าทองรัฐได้ออกธุดงค์ปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังอยู่นั้นได้ทราบว่าหลวงปู่มันได้ธุงดงไปตามภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่จะได้ธุงดงค์ตามท่านไป พอดีไปพบท่านที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนเข้าปัรษาจึงได้กราบท่านอีกครั้งหนึ่งหลวงปู่มั่นได้ถามถึงการประพฤติปฏิบัติของครูบาอาจารย์เท่าทองรับท่านเพื่อได้เล่าถวายหลวงปู่มั่นตามที่ได้พบจากการปฏิบัติทุกอย่างปกติก่อนเข้าปัรษาหลวงปู่มั่นจะเรียกรวมลูกศิษย์เพื่อจัดพระเนนจําพรรษาในที่ต่างๆหลวงปู่มั่น ได้ให้ครูบาอาจารย์เท่าทองรัตไปจำพรรษาที่ถ้ำบางบทมีข้อแม้ว่าถ้าไม่ครบสามพรรษาไม่ต้องลงถ้ำนี้หลวงปู่มั่นเคยได้ไปภาวนาแล้วเหมาะกับพระเนนที่มีภูมิจิตภูมิธรรมที่แขนงกล้าแล้วจึงจะขึ้นไปภาวนาได้และสถานที่แห่งนี้มีพระทุดงไปมรณภาพมาหลายรูปแล้วถ้าไม่เก่งจริงคงจะกลับออกมายาก เมื่อลวงปู่มั่นแนะนำดังนั้นท่านจึงได้รับและได้กราบลาท่านไปที่ถ้ำนั้นรูปเดียวเมื่อไปถึงถ้ำบางบทได้หาสถานที่ปักตรรดทางเดินจงกรมภาวนาอยู่รูปเดียวตลอด3ามพรรษาและนิคืนขึ้นส5ห้าค่ำเดือนสิบพรรษาแรกหลังจากเดินจงกรมตอนหัวค่ำแล้วได้เปลี่ยนอริยบทนั่งสมาธิบ้าง ในขณะ ก, กำลังนั่งสมาธิสงบนิ่งอยู่นั่นเองได้ยินเสียงดังสนัน่นกึดก้องไปทั่วแยกไม่ออกว่าเป็นสิ่งอะไรราวกระฟาจะทลายภูเขาทั้งลูกถูกเขยา่าให้สั่นสะเทือนคล้ายกับจะถล่มลงมาทั้งลูกมีทั้งเสียงคนเสียงสัตว์ร้องโกลาหลไปทั่วจะเดินออกไปดูก็ไม่มั่นใจความกลัวที่ว่าหมด ไม่รู้มาจากไหนทั้งๆ ท, ที่ก่อนมาเคยคํารับรองกับตัวเองว่าหมดความกลัวแล้วพุโทโธที่เคยบริกรรมหายหมดมีแต่ความกลัวครูบาอาจารย์เท่าเล่าให้สิทธิ์ฟังว่ากลัวจนไม่รู้ว่าจะกลัวอะไรคนและผมทุกเส้นมรลุกจนคิดว่ามันจะหลุดออกจากหัวเสร็จแล้วจีวรจะบงได้ชุ่มไปด้วยเหงื่อ เมื่อถึงที่สุดของความกลัวได้มีอะไรสักอย่างมากระซิบที่หูว่าในสากลลภิพนี้สรรพสัตว์ตลอดทั้งเทพพรหมยมยักษ์ทั้งหลายทั้งปวงล้นเคารพและยำเกรงต่อพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นเราเป็นลูกศิษย์พระตถาคตจะไปกลัวอะไรเมื่อได้ยินดังนั้นสติเริ่มกลับคืนมา แล้วเกิดความอาจหารขึ้นในจิตใจความกลัวค่อยเลือนหายไปในที่สุดไม่รู้ความกลัวหายไปไหนคิดให้กลัวก็ไม่กลัวคิดเห็นเสือเห็นช้างเป็นธรรมดาไปหมดไม่มีอะไรที่น่ากลัวอีกมีความรู้สึกว่าอาการหายกลัวครั้งนี้มีอนุภาพมากกว่าครั้งที่ผ่านมาหลายร้อยพันเท่าเดินจงกรมนั่งสมาธิ นีแต่ความเยือกเย็นสบายเข้าปลาอาหารไม่หิวเป็นอยู่เจ็ดวันเจ็ดคืนนอนก็มีนอนหลายวันต่อมาโยมขึ้นไปเยี่ยมท่านเพราะเห็นท่านไม่ได้ลงไปรับบินธบาตหลายวันคิดว่าท่านคงเป็นอะไรไปท่านจึงรู้สึกตัวเมื่อโยมขึ้นไปและญาติโยมได้ถามครูบาอาจารย์เท่าว่าไม่สบายหรือตาจิงแดงสบายดี ท่านตอบท่านไม่หิวข้าวหิวน้ำหรือไม่เห็นลงไปบินทบาตรเรือกว่าเป็นอะไรไปเหมือนพระรู ป, ปอืน่นวันต่อมาท่านจึงได้ลงไปบินทบาตรในบุบ้านใกล้ตีนเขาและฉันเพียงสองคำเท่านั้นร่างกายเกิดไม่รับอาหารไม่ว่าจะฉันอะไรลงไปก็อาเจียนออกมาหมดหลายวันต่อมาร่างกายจึงปกติและได้ปฏิบัติ ภาวนาอยู่ที่นั่นจนครบสามพรรษาเมื่อออกพรรษาแล้วจะได้ลงมากราบหลวงปู่มั่นอีกครั้งและเล่าอาการต่างๆให้หลวงปู่มั่นฟังหลวงปู่มั่นจะได้พูดให้คอคิดว่าทองรัตเดี๋ยวนี้จิตของท่านเท่ากับจิตผมแล้วต่อไปนี้ท่านจัดเทศจะสอนคนอื่นก็จงสอนเถิดหลังจากออกเาะแสวงหาครูบาอาจารย์ และได้มาภาวนาอยู่ที่ถ้ำบางบทนี้คิดเป็นเวลาก็ยาวนานประกอบกับผ้าจีวรฝ้ายที่ปั่นและทอเทย็บด้วยมือถูกใช้นานหลายปีเกิดเปื่อยยุ่ยใช้การไม่ได้เพราะปกติผ้าจีวรคาธรรมดาก็หาผ้ามาปะมาชุนได้บางครั้งหาได้และเข็มไม่มีต้องใช้เปลือกไม้มาทุบใช้เป็นเส้นใหญ่แทนได้เพื่อชุนไว้ ซึ่งในเรื่องพระธรรมวินัยนี้ครูบาอาจารย์เท่าท่านละเอียดมากถึงแม้อาบัดเล็กน้อยท่านก็ไม่มองข้ามผ้าถึงจะเก่าสีจะหมองขนาดไหนก็ยังงามตามพระธรรมวินยัยจึงคิดว่าจะกลับไปกราบครูบาอาจารย์และขอลาเลยไปขอผ้าจากญาติทางบ้านสามผงลงพเนาวด้วยเพราะไม่มีโยมประวารณา ถวายผ้าจะขอคนผู้ไม่ใช่ญาติก็ไม่เหมาะในส ม, มณะวิสัยจะพึงกระทำพอไปกราบหลวงปูม่มั่นและจะลาท่านไปบ้านเพื่อขอผ้ามาเย็บจีวรหลวงปู่มั่นจึงพูดดักใจไว้กลัวลูกศิษย์จะเผอตัวว่าเอออยากได้อยากเห็นธรรมะไม่ใช่หรือจึงได้ออกบวชจะไปมวัวข้องเกี่ยวกับญาติโยมอยู่อีกหรือและหลวงปู่มั่น ก็ได้อนุญาตให้กลับบ้านครูบาอาจารย์เท่าทองรัตทราบความปรารถนาดีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วจึงกลาบลากลับบ้านเจ็กลับบ้านครั้งแรกแม่ใหญ่จันทิมาลูกสาวคนเล็กของพี่ชายคนโตเล่าว่าปีที่ครูบาอาจารย์ท่านกลับบ้านครั้งแรกนั้นแม่ใหญ่อายุ27ปี เมื่อกลับไปถึงบ้านไม่มีใครจาได้แม้แต่ผู้เป็นพี่ชายตอนเช้าครูบาอาจารย์ท่านบรรลบมิถบาทและได้ยืนอยู่หน้าบ้านตั้งนานปกติก็ไม่มีพระมายืนหน้าบ้านสักพีจนคนบ้านใกล้ชิดเขาเห็นอาการของพระรูปนั้นแปลกๆหรือเขาอาจจะจำเขาหน้าพระรูปนั้นได้เขาจึงร้องไปทางผู้ใหญ่ว่าคุณตา คุณตาไม่ใช่พระน้องชายคุณตาหรือมายืนอยู่หน้าบ้านนั่นผู้ใหญ่ทะจึงชำาะลึงไปดูแต่ก็ยังไม่ปรักใจเชื่อจึงลงจากบ้านไปถามดูพอไปถึงก็นั่งพนมมือถามพระอาจารย์นิมนต์มาจากไหนครับอาตมาเป็นคนบ้านนี้เป็นลูกพ่อใหญ่กำจักมาพักอยู่วัดป่าหันครูบาอาจารย์ตอบ และได้เดินบินธบาตต่อไปปล่อยให้ผู้ใหญ่ทะนั่งงงงวยอยู่คนเดียวยังคิดไม่ออกว่าพระรูปนี้คือใครกันแน่มาแอบอ้างว่าเป็นลูกเป็นหลานพ่อใหญ่กําจัดซึ่งเป็นพ่อของตนเองเมื่อครูบา จ, จานเท่าได้บินธบาตกลับวัดผู้ใหญ่ทะได้เดินตามหลังครูบาจานเท่าจนถึงวัดเพื่อไปถามให้แน่ใจที่ว่าเป็นลูกเป็นหลานพ่อใหญ่กําจัดจริงหรือเมืเ่อไปถึงวัด ผู้ใหญ่ทะได้ซักถามว่าท่านขคุขรกันแน่ร้อยวันพันปียังไม่เคยเห็นว่าล้วงกาจัดมีลูกบวชของพระพูบาจารย์เท่าจึงเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าอาตมาที่ทองรัฐปีนั้นพอได้พาไปฝากบวชอยู่กับพระอุปชาอยู่วัดโพชัยท่าอุเทนผู้ใหญ่ทะจึงยอมเชื่อว่าพระที่ไปบิณฑบาตเมื่อเช้านี้ คือน้องชายตนเองนั่นเองจึงได้แต่ถามสารทุกข์สุขิบกันดีใจที่พระน้องชายยังมีชีวิตอยู่คาดเป็นถึงว่าจะได้เจอน้องชายอีกส่วนพ่อแม่และญาติบางคนได้ล้มหายตายจากไปก่อนหน้านี้แล้วพระครูอดุลธรรมภานวัดศรีวิชัยเล่า ว, ว่าครั้งแรกที่ครูบาอาจารย์ท่านมาพักที่วัดนี้ซึ่งเป็นวัด ที่ครูบาจารย์วังครูบาจารย์มาเป็นองค์สร้างแต่ก่อนวัดยังไม่มีศาลามีแต่ผามคือร้านที่ทำเพื่อกันแดดกุฏิก็มีกุฏิมุงยักษ์คาจองถึงสามหลังเมื่อครูบาจารย์มาครั้งแรกจึงไปปัปกโลดใต้รมโพธิ์ท้ายวัดซึ่งแต่ก่อนยังเป็นป่าอยู่ต่อมาผู้ใหญ่ทาได้จัดหาผักขาวที่ทางแม่บ้าน ปั่นและทอกี่เองเป็นผ้าฝ้า้มาถวายครูบาอาจารย์เท่าเพื่อทําจีวรท่านเย็บจีวรด้วยมือเสร็จแล้วได้นําไปย้อมด้วยน้ําฝาแจงขนุนที่เคี่ยวได้ที่แล้วจนเสร็จส่วนทางผู้ใหญ่ทะเห็นพระน้องชายปรับโกฎอยู่ตามต้นไม้ก็ได้ร่วมกับชาวบ้านสร้างกุฏิมุงยักษ์คาให้กุฏิยังไม่ทันเสร็จครูบาอาจารย์เท่ า, า, า, ทาก็ได้บอกลาทุดดกต่อไป ซึ่งเป็นปกติของครูบาอาจารย์เท่าท่านไม่ชอบการก่อสร้างเสนาชนะเป็นที่ถาวรถึงจะมีโยมขอสร้างให้ท่านก็จะพยายามบ่ายเบียงถ้าห้ามไม่ได้จริงๆท่านจะบอกว่าสร้างกอสร้างแต่จะมานิมนต์ให้อยู่ท่านจะไม่รับว่าจะให้อยู่ตลอดอยากไปเมื่อไหร่ก็จะไปหลุงพ่ออ้วนพระคุณโนล่าว่าครูบาอาจารย์เท่าทองรัต ท่านไม่ชอบสร้างวัดเป็นหลักแหล่งส่วนใหญ่อยู่ตามต้ไม้กระ่อมมุงยักษ์คาพื้นปูด้วยไม้ไผ่สับง่ายๆเมื่อท่านจากไปกระท่อมนั้นพังพอดีจึงยากที่จะตามรอยท่านเจอแม้แต่ปัจจุบันสถานที่ที่ท่านเคยจำพรรษาหลายแห่งเช่นฝั่งโขงเมืองลาวบ้านดงชนบ้านดงมะเกลือบ้านไผ่ล้อมบ้านนวนหอม วัดห้วยสีคูณอําเภอนาแก่ขมิ้นตอนบนบ้านชีทชวนบ้านโคกสว่างบ้านคุม้มแต่ละแห่งแทบจะไม่มีสัญลักษณ์ให้ดูว่าแห่งนั้นเคยมีพระมาจําพรรษาจะมีเฉพาะบ้านคุม้มและบ้านโคกสว่างที่มีเจดีย์องค์เล็กๆที่ชาวบ้านสร้างขึ้นเพื่อบรรจุอธิท่านเท่านั้นเองและเป็นแห่งเดียวที่ท่านจะพรรษา นานที่สุดหลังจากครูบาอาจารย์เท่าเย็บจีวรเสร็จแล้วได้ออกทุดงไปในที่ต่างๆบางครั้งติดขัดเรื่องปัญหาการภาวนาก็อาศัยประสบการณ์ที่ผ่านมาบ้างเมื่อมีโอกาสจึงประกาศเรียนหลวงปู่เสาหลวงปูม่มันบ้างและได้ออกวิเวกไปในที่ต่างๆ ต, ต, ตามป่าตามถ้าท่านมักไปองค์เดียวไม่ชอบคุกครีกับหมู่คณะ จึงเป็นเหตุให้พระสงฆ์องค์เนส่วนใหญ่ไม่รู้จักท่านเพราะนานๆนนท่านจึงเข้ากราบฟังอุบายธรรมจากหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นทีหนึ่งและถึงไปก็อยู่ไม่นานพอได้ฟังอุบายธรรมก็ไปต่อบางครั้งก็ไม่พักค้างคืนโดยสถานที่ช่วงแรกของชีวิตนักบวชท่านจะอยู่นครพนมจกงหวันครลาวพม่า มีบางครั้งที่ครูบาอาจารย์เท่าได้มีโอกาสร่วมกับสัทธมิตรร่วมครูบาอาจารย์เดียวกันเช่นหลวงปู่แหวนจุจินโนวัดดอยแม่ปังอําเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่ตื่ออจลธรรมโมวัดอรัญยญวิเวกอําเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมพระครูยานนาสพิธหรือหลวงปู่มี ยานามุนีวัดยานโสพิษวณารามอําเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะที่ประเทศพมา่าท่านได้มีโอกาสเดินทุดงร่วมกับศาสธราิกท่านหนึ่งคือหลวงปู่มียานามุนีด้วยความคุ้นเคยและเป็นสิทธิ์ร่วมพระอุปัชฌาย์เดียวกันครูบาอาจารย์เท่าทองรัฐกับหลวงปู่ตื้อ จึงชอบพูดสรพยอ ก, กันอยู่บ่อยๆปกติหลวงปู่ตื้อเวลาท่านออกพุดงตามสถานที่ต่างๆท่านมักจะมีอะไรติดไม้ติดมือกลักบัดเกือบทุกครั้งโดยเฉพาะพระพุทธรู ป, ป่างต่างๆหลายองค์ที่ประดิษฐานที่วัดโพชัยอําเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมหลวงปู่ตื้อเป็นผู้นำมาครูบาจารย์เท่าทองรัตจึงพูดว่า ท่านอาจารย์ตื่อนี่ไปภาวนาที่ไหนได้แต่พระกลับมาแต่ถึงจะพูดอย่างไรสององค์ท่านก็หาได้ถือโทษปลดเคืองกันไม่และครูบาอาจารย์เท่าได้เคยพูดกับลูกศิษย์ว่าอย่าท่านตื่อนี่ต่อไปจะเป็นผู้มีชื่อเสียงบารมีหลายองค์หนึ่งและก็เป็นสมดังที่ท่านพูดไว้อย่างที่พวกเรา จากพุทธศาสนิกชนทราบกันดี 8. ช้างยังเกรงหลวงพ่ออ้วนปักคุโนวัดจันที่ยาวาตำบล น, นามเมื่อเขืออําเภอกลาปากจังหวัดนครพนมเล่า ว, ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงพ่ออ้วนได้ออกทุดงในเขตฝั่งลาวและได้ทราบข่าวว่าครูบาทจารย์ทองรัตท่านได้ทุดง ไปเยี่ยมญาติที่ฝั่งลาวคือแม่ใหญ่จันที่มาเล่าว่ามีญาติที่ว่าเป็นพี่คนที่สามของครูบาจา์เท่าคือนายเทนหลังจากมีเรื่องกับแม่ใหญ่เอากงหลาปั่นไดตีแม่ใหญ่แล้วหนีข้ามไปฝั่งลาวไม่กลับมาอีกเลยจนถึงทุกวันนี้ครูบา จ, จานทองรัตได้พักที่วัดป่าช้าดอนเจ้าปู่บ้านนาขามซึ่งชาวบ้าน ได้ทำเป็นกุฏิไว้หลังหนึ่งเพื่อไว้สําหรับพระเนรที่รุดดงมาจะได้พักหลวงพ่ออ้วนได้พาสัมมาเนรไปกราบท่านและขอพักกับท่านห้าถึงหวันในช่วงนั้นเป็นช่วงพอดีนายห้อยขวานช้างได้เดินทางมาจากเขตคำม่วนเพื่อนำช้างไปขายทางเวียงจันทร์พอเดินทางมาถึงดอนเจ้าปู่บ้านนาคามนั้นช้างทั้ง16เชือก ให้เดินทางต่อไปเอาเฉยๆถึงจะไล่จะตีอย่างไรช้างก็อมงวงก่อต้นไม้ไว้อย่างนั้นจนนายห้อยช้างหมดปัญญาจึงเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อหาพ่อเท่าจำหมอผีรักษาป่าช้าพ่อเท่าจำแนะนำให้แต่งขันดอกไม้ทูบเทียนเพื่อไปขอขมาขอทางผ่านเพราะสงสัยว่าจะเป็นการกระทําของผีดอนเจ้าปู่นแน่ พวกในหอยช้างได้กลับไปแต่งขันเพื่อขอขมาโทษต่อผีดอนเจ้าปู่เมื่อขอขมาแล้วช้างนั้นก็ไม่ไปจนหมดหนทางทุกคนก็อ่อนใจมีอยู่คนหนึ่งพูดด้วยความสงสัยขึ้นว่าหรือในดอนเจ้าปูนี้จะมีอะไรที่ทำให้ช้างกลัวจึงพา ก, กันเข้าไปในดอนเจ้าปูและได้ไปเจอ ครูบาอาจารย์เท่าพอดีต่างปรึกษากันว่าหรือจะเป็นเพราะพระธุดงองค์นี้ที่ทําให้ช้างกลัวนายห้อยช้างจึงพากันไปกราบครูบาอาจารย์เท่าครูบาอาจารย์เท่าได้ถามก่อนว่าไปหยัง่งพวกหูเจ้ามาหยัง่งโอ้ยช้างของพวกกระผมขี่ผ่านมาถึงที่นี่ไม่รู้เป็นอะไรเอางวงพระต้นไม้ไว้หมดทุกตัว จะไล่จะตีอย่างไรก็ไม่ไปนายหอยช้างพูดไม่ใช่ช้างพวกโยมหิวย่าละมังครูบาจารย์เท่าถามจะหิวอย่างไรพวกกระผมเลี้ยงมาตลอดทางตั้งแต่เช้าถึงบ่ายนายห้อยช้างตอบครูบาจารย์ทองรัฐได้พูดทีเล่นทีจริงจนพวกนายห้อยช้างต่างถอนใจ จะคิดหาวิธีอื่นก็มองไม่เห็นว่าจะมีวิธีใดจะแก้ได้ก็ยิ่งปักใจเชื่อว่าเป็นอิทธิปาฏิหารของพระธุดงค์รูปนี้แน่นอนพวกนายห้อยช้างและอ้อนวอนอยู่ตั้งนานหลวงพ่อกรช่วยพวกกระผมด้วยผีปู่ตาก็บนบานสารกล่าวแล้วก็ยังไม่ออกนายห้อยช้างพูดไม่ใช่มันเหนื่อยมันโกรธหรือครูบาอาจารย์ถาม ไม่ใช่มันโกรธมันเหนื่อยหรอกเลี้ยงก็เลี้ยงมาแล้วนายห้อยช้างตอบนั่นมันปล่อยแล้วนั่นไปดูสิครูบาจารย์บอกเมื่อพวกพ่อขาช้างออกไปดูเห็นช้างกินใบไผ่เฉยอยู่ต่างก็เชื่อแน่ว่าเป็นอิทธิปาฏิหาริย์ของครูบาจารย์อย่างแน่นอนจึงพากันมากราบขอขมาโทษครูบาจารย์ที่ได้ล่วงเกินและได้พากันขี่ช้าง มุ่งหน้าไปเวียงจันทร์ต่อไป